นิมิตตสูตรว่าด้วยนิมิตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนัิการนิมิตสามประการตามสมควรแก่เวลาคือ 1. นพึงมนสัส ก, การสมาธินิมิตตามสมควรแก่เวลา 2. พึงนมัส ก, การปากหะนิมิตตามสมควรแก่เวลา 3. พึงนมัส ก, การอุเบกขานิมิต ตามสมควรแก่เวลาถ้าภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนาสการเฉพาะสมาธินิมิตอย่างเดียวเป็นไปได้ที่จิตนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเกยียดคร้านถ้าภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนาสการเฉพาะปคหขะนิมิตอย่างเดียวเป็นได้ที่จิตนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านถ้าภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงมนาสการเฉพาะอุเบขานิมิตอย่างเดียว เป็นไปได้ที่จิตนั้นจะไม่พึงตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะแต่เมื่อใดที่ภิกษุผู้บาเพ็ญอธิจิตมานาสิการสมาธินิมิตตามสมควรแก่เวลามนาสิการปัจขะนิมิตตามสมควรแก่เวลาและมนาสิการอเบขานิมิตตามสมควรแก่เวลาเมื่อนั้นจิตนั้นย่อมอ่อนเหมาะแก่การใช้งานผุดผ่องและไม่เสียหายตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะ เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองตระเตรมเบ้าเอาคีมขีบทองใส่ลงที่ปากเบ้าแล้วสูบลมตามสมควรแก่เวลาเอาน้ำประพรมตามสมควรแก่เวลาเพ่งดูตามสมควรแก่เวลาถ้าช่างทองหรือลูกมือของช่างทองพึงสูบลมทองนั้นอย่างเดียวเป็นไปได้ที่ทองนั้นพึงไหมถ้าช่างทองหรือลูกมือของช่างทอง พึงเอาน้ำประพรมทองนั้นอย่างเดียวเป็นไปได้ที่ทองนั้นพึงเย็นถ้าช่างทองหรือลูกมือของช่างทองพึงเพ่งดูทองนั้นอย่างเดียวเป็นไปได้ที่ทองนั้นไม่สุกทั่วถึงแต่เมื่อใดช่างทองหรือลูกมือของช่างทองสู่ปลมทองนั้นตามสมควรแก่เวลาเอาน้ำประพรมตามสมควรแก่เวลาเพ่งดูตามสมควรแก่เวลา ทองนั้นย่อมอ่อนใช้การได้ผุดพองและไม่แตกง่ายใช้งานได้ดีและช่างทองหรือลูกมือของช่างทองมุ่งหมายจะทำเครื่องประดับชนิดใดๆคือแผ่นทองต่างหูสร้อยคอหรือมาลัยทองทองนั้นย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้แม้ฉันใดภิกษุผู้บำเพ็ญอธิ จ, จิตก็ฉันนั้นเหมือนกันพึงมณสิ ก, กานิมิตสามประการตามสมควรแก่เวลาคือ หพึงมนัสการสมาธินิมิตตามสมควรแก่เวลา 2. พึงมนัสการปัจขหะนิมิตตามสมควรแก่เวลา 3. พึงมนัสการอุเบกขา น, านิมิตตามสมควรแก่เวลาถ้าภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตพึงม น, น right Porsche, สสมัสการเฉพาะสมาธินิมิตอย่างเดียวเป็นได้ที่จิต น, นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเกียคร้านถ้าภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิต พึงมนัสการเฉพาะปัหขนิมิตอย่างเดียวเป็นไปได้ที่จิตนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านถ้าภิกษุผู้บำเพ็ญอธิ จ, จิตพึงมนัสการเฉพ า, าะอุเบกขานิมิตอย่างเดียวเป็นไปได้ที่จิตนั้นจะไม่พึงตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะแต่เมื่อใดที่ภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตมนัสการสมาธินิมิตตามสมควรแก่เวลามนัสการปัหขนิมิตตามสมควรแก่เวลา และมนัษการอุเบกขานนมิตรตามสมควรแก่เวลาเมื่อนั้นจิตนั้นย่อมอ่อนเหมาะแก่การใช้งานผูดพองและไม่เสียหายตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นอาสวะและภิกษุนั้นย่อมน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งใดๆเมื่อมีเหตุแห่งสติเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่า เราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างละถึงพึงทำให้แจ้งละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีเหตุแห่งสติเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆ น, น, นิมิตสูตรที่ส1อจบโลนะภละวักที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งอาจายิกสูตร 2. บวิเวกสูตร3สารฐสูตร4ปริษาสูตร5ปฐมมะอาชานิยสูตร6ทุติยอาชานิยสูตร7ตาติยอาชานิยสูตร8โปตถกะสูตร9โลนพละสูตร10บปังสุธโทวะกะสูตร11 นิมิตสูตรทุติยปันนาจบบริบรูรณ์ 3. าตติยปันนาหนึ่งสโพธวักหมวดว่าด้วยการตรัสรู้หนึ่ง ปุกเพวสัมโพธสูตรว่าด้วยความดำริก่อนตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดดังนี้ว่าในโลกอะไรหนอเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยโลกเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในโลก สภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเป็นโทษในโลกทมเป็นที่กำจัดชันทราคธรรมเป็นที่ละชันทราคะเป็นเครื่องสลัดออกไปในโลกภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงตราบนั้น เราจะยังไม่ปฏิญญาตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิยาในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เมื่อใดเรารู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปเมื่อนั้นเราจึงปฏิ ญ, ญาตนว่า เป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แลยาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พกใหม่ไม่มีอีกปุเพวสัมโพทสูที่หนึ่งจบ สปฐมมัต ส, สาธทสูตรว่าด้วยคุณของโลกสูตรที่หนึ่งิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของโลกได้พบคุณในโลกแล้วคุณในโลกมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของโลกได้พบโทษในโลกแล้วโทษในโลกมีประมาณเท่าใด เราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดโลกออกไปได้พบเครื่องสลัดโลกออกไปเครื่องสลัดออกไปในโลกมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดโลกออกไปประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาตราบใดเรายังไม่รู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษ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 บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระธมมอัสาทสูรที่สองจบ 3. ทุติยอัสาทสูรว่าด้วยคุณของโลกสูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย ก็ถ้าคุณในโลกนี people, ้จะไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในโลกแต่เพราะคุณในโลกมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในโลกถ้าโทษในโลกจะไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในโลกแต่เพราะโทษในโลกมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในโลกก็ถ้าเครื่องสลัดออกไปในโลกจกไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงสลัดออกไปจากโลก แต่เพราะเครื่องสลัดออกไปในโลกมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกไปจากโลกตราบใดสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณโทษของโลกโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงตราบนั้นสัตว์ทั้งหลายจะออกไปหลุดไปพ้นไปจากโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกจากหมูสัตว์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 ผู้ควรยกย่องว่าเป็นสมณะและพรามภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามผู้มีรู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณโทษของโลกโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงเราไม่ยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะหรือเป็นพรามในหมู่พรามและท่านเหล่านั้นไม่ชื่อว่าทาให้แจ้งคุณของความเป็นสมณนะ และคุณของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแต่สมณะหรือพราหมณ์ผู้รู้คุณของโลกโดยความเป็นคุณของโลกโทษของโลกโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกไปโดยความเป็นเ ค, ครื่องสลัดออกไปตามความเป็นจริงเรายกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณและท่านเหล่านั้นชื่อว่าทําให้แจ้งคุณของความเป็นสมณะ และคุณของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณพราหมณสูตรที่4จบ 5. รุณสูตรว่าด้วยการขับร้องคือการร้องไห้ในอริยวินยัย ภิกษุทั้งหลายการขับร้องคือการร้องไห้ในอริยวินัยการฟ้อนรำคือความเป็นบ้าในอริยวินัยการหัวเราะจนเห็นฟันมากเกินไปคือความเป็นเด็กในอริยวินัยเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายจงละโดยเด็ดขาดในการขับร้องและการฟ้อนรำเมื่อเธอทั้งหลายมีความเบิกบานในธรรมเพียงแค่ยิ้มแย้มก็เพียงพอแล้ว รุณสูที่5จบหอติติสูตรว่าด้วยสิ่งที่เสพไม่รู้จักอิ่มภิกษุทั้งหลายความอิ่มในการเสพสิ่งสารประการย่อมไม่มี ความอิ่มในการเสพสิ่งสารประการอะไรบ้างคือ 1. ความอิ่มในการนอนหลับ 2. ความอิ่มในการเสพเครื่องเดิมคือสุราและเมรัยสความอิ่มในการเสพเมทุนธรรมภิกษุทั้งหลายความอิ่มในการเสพสิ่งสารประการนี้แลย่อมไม่มีอติติสูตรที่6กจบ อารคิตตสูตรว่าด้วยผู้ไม่รักษาจิตครั้งนั้นอนาถบิณกะคาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบิณกะคาบดีดังนี้ว่าขาบดีเมื่อบุคคลไม่รักษาจิตชื่อว่าไม่รักษากายกรรมวจิกรรมและมนโนกรรม เขาผู้มีรักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเปียกชุ่มเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเปียกชุ่มย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเสียหายเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเสียหายย่อมมีการตายที่ไม่ดีกาละกิริยาการตายก็ไม่งาม เมื่อเรือนยอดมุงไว้ไม่ดียอดเรือนไม้กรอนและฝาเรือนชื่อว่าไม่ได้รับการรักษายอดเรือนไม้กลอนและฝาเรือนชื่อว่าถูกฝนรั่วรดยอดเรือนไม้กรอนและฝาเรือนก็ผุพังแม้ฉันใดเมื่อบุคคลไม่รักษาจิตละถึงย่อมมีการตายที่ไม่ดีการกิริยาก็ไม่งามก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อบุคคลรักษาจิตชื่อว่ารักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเขาผู้รักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เปียกชุ่มเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เปียกชุ่มย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เสียหายเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมไม่เสียหาย ย่อมมีการตายที่ดีการกิริยาก็งามเมื่อเรือนยอดมุงไวด้ดียอดเรือนไม้กลอนและฝาเรือนชื่อว่าได้รับการรักษายอดเรือนไม้กลอนและฝาเรือนชื่อว่าไม่ถูกฝนรั่วรดยอดเรือนไม้กลอนฝาเรือนก็ไม่ผุพังแม้ฉันใดข้าพดีเมื่อบุคคลรักษาจิตและถึงย่อมมีการตายที่ดี กายและกิริยาก็งามก็ฉันนั้นเหมือนกันอรคิตตะสูตรที่7จบ 8. พยาป น, นสูตรว่าด้วยจิตถึงความผิดปกติครั้งนั้นอนาถป็ณิกขะข้าบดี เขาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถปินิขขะฮาบดีดังนี้ว่าขหบดีเมื่อจิตถึงความผิดปกติแม้กายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมก็ถึงความผิดปกติเขาผู้มีกายกรรมวจีกกรรมและมนโนกรรมถึงความผิดปกติย่อมมีการตายที่ไม่ดี การและกิริยาก็มีงามเมื่อเรือนยอดมุงไว้ไม่ดียอดเรือนไม้กรอนและฟ้าเรือนย่อมถึงความผิดปกติแม้ฉันใดเมื่อจิตถึงความผิดปกติละถึงย่อมมีการตายที่ไม่ดีการละกิริยาก็มีงามฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจิตไม่ถึงความผิดปกติแม้กายกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมก็ไม่ถึงความผิดปกติ เขาผู้มีกายกรรมวจติกรรมและมนโนกรรมไม่ถึงความผิดปกติย่อมมีการตายที่ดีการกละตริยาก็งามเมื่อเรือนยอดมุงไวด้ดีแม้ยอดเรือนไม้กรอนฟ้าเรือนก็ไม่ถึงความผิดปกติแม้ฉันใดพหบดีเมื่อจิตไม่ถึงความผิดปกติละถึงย่อมมีการตายที่ดีการกระตริยาก็งามชั้นนั้นเหมือนกัน พยาปณสูตรที่8จบเก <im it resses> ้าปฐมมณิทานสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรมสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรมชั่วสามประการนี้ เหตุที่เกิดกรรมชั่วสามประการอะไรบ้างคือ 1. โลภะความอยากได้ 2. โทสะความคิดประทุษร้าย 3. โมหะความหลงกรรมใดที่บุคคลทำด้วยโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมนั้นมีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นทุกข์กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีก กรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมใดที่บุคคลทําด้วยโทสะเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมนั้นมีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นทุกข์กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมใดที่บุคคลทําด้วยโมหะเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุ มีโมหะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมนั้นมีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นทุกข์กรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกรรมภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรมชั่วสามประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรมดีสามประการนี้เหตุที่เกิดกรรมดีสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งอโลภะ ความไม่อยากได้ 2- อ, อโทสะความไม่คิดประทุสร้ายสาอาโมหะความไม่หลงกรรมใดที่บุคคลทําด้วยอโลภะเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นสุขกรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อการเกิดกรรมอีก กรรมใดที่บ <Jub ilee> oh ุคคลทำด้วยอโทสะเกิดจากอโทสะมีอโทสะเป็นเหตุมีอโทสะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีผลเป็นสุขกรรมนั้นเป็นไปเพื่อความดับกรรมกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเกิดกรรมอีกกรรมใดที่บุคคลทำด้วยอโมหะเกิดจากอโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นแดนเกิด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 ทุติยานิทานสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรมสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมชั่วสามประการนี้เหตุให้เกิดกรรมชั่วสามประการอะไรบ้างคือ 1. ฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีต 2. ฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคต 3. ชันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไรคือบุคคลอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตตรึกตรงพิจารณาด้วยใจเมื่อเขาอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตตรึกตรงพิจารณาด้วยใจย่อมเกิดฉันทะเขาผู้เกิดชันทะ ย่อมถูกทำเหล่านั้นร้อยรัดเราเรียกความกำหนัดแห่งใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างนี้แลฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันท ร, ราคะในอนาคตตรึกตรองพิจารณาด้วยใจ เมื่อเขาอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งชันทราคะในอนาคตตรึกตรองพิจารณาด้วยใจย่อมเกิดชันทะเขาผู้เกิดชันทะย่อมถูกทำเหล่านั้นร้อยรัดเราเรียกความกำหนัดแห่งใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ชันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งชันทราคะในอนาคตเป็นอย่างนี้แลฉันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งชันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างไร คือบุคคลอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันตรึกตรองพิจารณาด้วยใจเมื่อเขาอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งชันทราคะในปัจจุบันตรึกตรองพิจารณาด้วยใ จ, าาใ จ, จ, ย, ใจย่อมเกิดชันทะเขาผู้เกิดชันทะย่อมถูกทำเหล่านั้นร้อยรัดเราเรียกความกำหนัดแห่งใจนั้นว่าเป็นสังโยชน์ชันทะเกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งชันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล ภิกษุ hora, ทั้งหลายเหตุ hehe, ให้เกิดกรรมชั่วสามประการนี้แหละภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมดีสามประการนี้เหตุให้เกิดกรรมดีสามประการอะไรบ้างคือ 1. ฉชันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งชันธราคะในอดีต 2. ฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอนาคต 3. ฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไรคือบุคคลรู้ชัดผลที่จะเกิดต่อไปแห่งธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในอดีตครั้นรู้แล้วจึงละเว้นผล น, นั้นเสียแล้วรู้แจ้งด้วยใจเห็นชัดด้วยปัญญา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 ฉันทะไม่เกิดเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตุแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมดีสามประการนี้แลทุติยานิธานสูตรที่10บจบสัมโพทวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวรดนี้คือ 1. ปุเพวสัมโพทสูตร 2. ปฐมมัสสาทสูตรส ทุติยอาสาทสูดร 4. สมณพรามณสูดร 5. รุณสูดร 6. อติตสูดเจอรักิตสูดร 8. พยาป น, นสูดเก้าปฐมมณิธานสูตร 10. ทุติยานิธานสูด ยกวับหมวดว่าด้วยบุคคลผู้ต้องไปสู่อบายภูมิหนึ่งอาปายิกสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ต้องไปสู่อบายภูมิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้ไม่ละบาปกรรมสามประการนี้ต้องไปอบายภูมิต้องไปนรกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง บุคคลที่ไม่ใช่โรมจารีแต่ปฏิ ญ, ญาตนว่าเป็นโรมจารี 2. บุคคลที่ตามกำจัดท่านผู้ประพฤติโภมจันทร์บริสุทธิ์ด้วย ร, รมที่ไม่มีมูลอันเป็นปฏิปักษ์ต่อโรมจรันทร์ 3. บุคคลที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกรามไม่มีแล้วถึงความเป็นเหยื่อในครามทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แล ไม่ละบาปกรรมสามประการนี้ต้องไปอบายภูมิต้องไปนรกอาปายกสูที่หนึ่งจบสองุลพะสูตรว่าด้วยบุคคลหาได้ยาก ภิกษุทั้งหลายความปรากฏของบุคคลสามจำพวกหาได้ยากในโลกความปรากฏของบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ 3. กตัญโูกะตะเวทีบุคคลภิกษุทั้งหลายความปรากฏของบุคคลสามจำพวกนี้แหลหาได้ยากในโลก ทุตลภพะสูตรที่สองจบ 3. อัปมยยสูตรว่าด้วยบุคคลที่ประมาณไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ หสุปเมยบุคคลบุคคลที่ประมาณได้ง่าย 2. ทุปเมยบุคคลบุคคลที่ประมาณได้ยาก 3. อปเมยบุคคลบุคคลที่ประมาณไม่ได้สุปเมยบุคคลเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่มเพื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะ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 ทปเมยบุคคลอปเมยบุคคลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตขีนาศนี้เรียกว่าอปเมยบุคคลภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกอปเมยสูตรที่สามจบ อาเนนจะสูตรว่าด้วยทำอันไม่หวั่นไหวภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุอากาศานัญจาตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดอยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิคะสัญญา ไม่กำหนดนานาตะสัญญาโดยประการทั้งปวงเขาชอบใจฌานนั้นติดใจฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในฌานนั้นน้อมใจไปในฌานนั้นชอบอยู่กับฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อมหลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาพวกที่เข้าถึงชั้นอากาสานัญญ า, นาตนะพวกเทวดาที่เข้าถึงชั้นอากาสานัญญ า, นาตนะ มีอายุประมาณสองหมื่นกับคนที่เป็นปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นอากาสานัญนจายตนะนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วไปสู่นรกบ้างไปสู่กำเนิดสัตยรชานบ้างไปสู่แดนเปรตบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้นจนสิ้นอายุ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 ร่วงอาการสาณจายตนะชาดโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณจายตนะชาดโดยกำหนดว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอยู่เขาชอบใจชา น, นั้นติดใจชา น, นั้นและถึงความปลื้มใจกับชา น, นั้นเขาดมรงอยู่ในชา น, นั้นน้อมใจไปในชา น, นั้นชอบอยู่กับชา น, นั้นโดยมากไม่เสื่อมหลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดา พวกที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะเทวดาพวกที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะมีอายุประมาณสี่ห0ืนกับคนที่เป็นปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นวิญญาณัญจายตนะนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วไปสู่นรกบ้างไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานบ้างไปสู่แดนเปรตบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค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 เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาพวกที่เข้าถึงชั้นอากินจัญญายตนะเทวดาทั้งหลายพวกที่เข้าถึงชั้นอากินจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหม0่นกับคนที่เป็นปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นอากินจัญญายตนะนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วไปสู่นรกบ้างไปสู่กาเนิดสัตว์เดรัจฉานบ้าง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 ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกอนเนญชะสูตรที่สี่